อันนีงงสมาธิปริถายปัญญามหาพราโฮติมหานิช่างสร้างปัญญาที่สมาธิอรบรมได้ดีย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากหรืยอย่อมคล่องแค่แก้วข้าไปได้อย่างรวดเร็ยวยิ่งกว่าติตที่มีฐานแห่งความสงบ น, นั่นเลยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจริงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจึงต้องนํามาใช้เสมอแม้แต่ผู้เป็นพระธีนาจบแล้วยังต้องใช้สมาธิ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 ของการก้าวไปแห่งจิตหรือเป็นหลักสําคัญแห่งความรู้เป็นหินรักปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันทัสติปัญญาและแม่ันที่เป็นข้าศิกต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันท์ดังนั้นจึงต้องพิจรารณาขันท์ขันท์มีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาส่อความพิรุธส่อความทุกข์ความลําบากลําบนความทรมานต่างๆดูกับ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 จิตให้รอบคอบตัวตนเองให้ฉลาดตัวตนเองทำให้ฉลาดก็ไปหลงเขาความหลงเขาจะตาหนิเขาอย่างไรไม่ถูกเพราะเราหลงเองต้องตาหนิเราถูกผู้หลงเมื่อเรารู้แล้วมันก็หมดทางตาหนิอาการเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดินตั้งแต่วันเกิดมาจนทั่งวันฉลายตัวลงไปใครเอาไปได้กองมูกกองเวทนาสัญญาังขานยั ญ, ญนี้ปล่อยตามสภาพของมัน